จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่กทานวันนี้เป็นวันพระหัปที่ส4สเมษาโยนพุทธศักราชสอ5พัราเเป็นวันพระวันธรรมสวรรควันฟังธรรมเป็นวันหยุดต่อเนื่อง ในเนื่องในเทศกาสกลสงกรานยานยมจึงมีเวลาว่าจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นสารานที่พึ่งอันประเสริฐ ข, ของจิตใจ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทําให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขจทาให้จิตใจของเราปราศจากความทุกข์ไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยยากดีมีจนถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราจะมีความสุขกันได้ทุกคนเพราะความสุขของใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลาบยศสรรเสริญ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขของใจนี้กดจากการที่มีแสงสว่างแห่งธรรมคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำพาชีวิตของพวกเราให้ไปในทางที่มีแต่ความสุขและความเจริญทางเดินทางที่พวกเรากำลังเดินทางอยู่นี้ มีหลายทางด้วยกันถ้าเราไม่มีแผนที่ไม่มีผู้นำทางเราก็อาจจะไปในทางที่เราไม่อยากจะไปก็ได้แต่เราไม่รู้เพราะเวลาที่ตาเรามองไม่เห็นเราก็ต้องคลาทางไปทางที่เราไปนี้มีทั้งทางที่นำไปสู่ความสุขความเจริญ แนวทางที่นำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเราไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำไปเราก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดที่ต้องคลาทางไปเองถ้าเราคลาทางไปเองเราก็คลำผิดคลำถูกอาจจะไปในทางที่ผิดก็ได้โดยที่เราคิดว่ามันถูก พอเวลาเราหลับตานี่เราจะไม่เห็นอะไรเราก็ต้องใช้ความรู้สึกนึกคิดไปคิดว่าสิ่งนี้ดีเราก็ทำไปแต่ทำไปแล้วแต่ทำไมจึงกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาคิดว่าสิ่งนี้เป็นความทุกข์แต่ทำไปแล้วทำไมจึงเกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ชีวิตของเราจะไม่สามารถไปสู่ความสุข หลุดออกจากกองทุกได้ถ้าเราไม่มีผู้ที่ได้หลุดออกจากหลุดออกจากกองทุกแล้วได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วนำทางไปผู้ที่ได้หลุดออกจากกองทุกได้พบกับความสุขที่เลิศประเสริฐก็คือพระพุทธเจ้าและพระอารานตสาคกทั้งหลายเมื่อก่อนนี้ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอด ที่คลำทางไปหาความสุขแต่มักจะเดิน ม, มักจะไปเจอความทุกข์กันสักจนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าต้องออกไปหาทางที่จะทำให้ได้เห็นจริงๆ จ, จ, จังๆก็เลยสละราชสมบัติแล้วก็ออกไปบวชไปปฏิบัติธรรมไปศึกษาไปค้นคว้าหา ความสุขความทุกข์ที่แท้จริงว่าอยู่ที่ตรงไหนในที่สุดพ่องก็ทรงค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยความสุขของเราความทุกข์ของเราอยู่ในการกระทําของเราเองถ้าเรากระทาบาปเราก็จะไปเจอความทุกข์ถ้าเรากระทาตามความอยากความโลภความโกรธความหลง เราก็จะไปเจอความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ทําบาปเราไม่ไปทําตามความโลภความโกรธความหลงเราก็จะเจอความสุขนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุได้ทรงค้นพบได้ทรงเห็นเหตุที่จะพาให้จิตใจของเราไปพบกับความทุกข์หรือไปพบกับความสุขหลังจากที่ทรงได้ พบทางที่พาไปสู่ความสุขแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงนำเอาความรู้นี้มาสอนพวกเราอีกต่อหนึ่งพวกเราถ้าเชื่อฟังแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้พบกับความสุขกันเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความสุขนั้นเกิดจากการไม่ทำบา เกิดจากการไม่ทำตามความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทำบาปเราก็จะมีความทุกข์ใจถ้าเราทำความโลภความโกรธความหลงเราก็จะมีความทุกข์ใจเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันเปลี่ยนไปเสื่อมไปหรือจากเราไป เวลาเราได้สิ่งที่เราอยากได้มาพอเวลาเขาจากเราไปเราก็จะต้องร้องห่มร้องไห้กันเพราะเรามองไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้อยู่กับเราให้เป็นของเราไปไม่ได้ตลอดสักวันหนึ่งสิ่งที่เราได้มา ก็จะต้องเปลี่ยนไปเสื่อมไปเราห้ามเขาไม่ได้และสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราอย่าไปโลภ ก, กับสิ่งต่างๆที่มันไม่เที่ยงที่มันไม่ถาวรให้มาโลภ ก, กับความกับสิ่งที่เที่ยงที่ถาวรสิ่งที่เที่ยงที่ถาวรนี้อยู่ในใจของเราอยู่ในตัวของเรา คืออะไรก็คือความสงบของใจให้พวกเรามาหาความสุขที่แท้จริงด้วยการทำใจของเราให้นิ่งให้สงบตอนนี้ใจของพวกเราไม่นิ่งไม่สงบเราเลยไม่เห็นความสุขของใจแต่กลับเห็นความทุกข์ของใจกันเพราะความไม่นิ่งความไม่สงบนี้ทำให้ใจเราไม่มีความสุขพอเราไม่มีความสุข เราก็ถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าเราต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นเรายัางไม่มีแฟนเราก็มีความรู้สึกเหงาเราก็คิดว่าถ้าเรามีแฟนแล้วเราจะมีความสุขความเหงาจะหายไปแต่การมีแฟนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ด้วยกันไปตลอดบางทีเขาก็ต้องไปที่อื่นบ้าง เวลาเขาทำงานบางทีเขาก็ต้องไปอยู่ไปต่างจังหวัดไปที่นั่นที่นี่พอเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันความเหงาก็กลับมาอีกแล้วเราก็ต้องห่วงเราก็ต้องกังวลว่าเขาไปแล้วเขาจะกลับมาหรือเปล่าเขาจะไปพบกับอุบัติเหตุไปพบกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือเปล่าความทุกข์ก็ยังกลับมาใหม่ การที่เราได้แฟนไม่ได้ดับความทุกข์ภายในใจของเราแต่กลับเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นเวลาเราไม่มีแฟนเราอยู่คนเดียวเราก็มีความทุกข์กับความเหงาความ ว, าว้าเหวเท่านั้นแต่เราไม่ต้องมามีความทุกข์กับความห่วงใยไม่ต้องมาวิตกกังวลว่าแฟนเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่า หรือว่าเขาแอบไปมีแฟนใหม่ที่ไหนหรือเปล่านี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเรามองเห็นแต่ความสุขเราเห็นว่าถ้าเราได้แฟนมาแล้วเขาจะให้ความสุขกับเราแต่พอได้มาแล้วถึงจะรู้ว่ามันมีความทุกข์แท้มาด้วยทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความห่วงทุกข์เพราะความเสียใจอาลัยอาวรณ์ เวลาที่เขาต้องจากเราไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราหาความสุขจากเขาเขาไม่แน่นอนเขามาแล้วก็ไปเขาเกิดแล้วก็ดับเราห้ามไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ เราเลยต้องวิ่งตะคุบเงาอยู่เรื่อยๆดูเท่าไหร่ก็ไม่พอฟังเท่าไหร่ก็ไม่พอไปเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่พอมีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องมีอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีก็ทุกข์ไม่สบายใจเดือดร้อนนี่คือผลที่เกิดจากการที่เราไปทำตามความโลภทำตามความอยาก ถ้าเรามาฝืนความโลภฝืนความอยากเช่นช่วงหยุดนี้เราอยากจะไปเที่ยวเราก็บอกไม่ไปเราจะอยู่บ้านหรือเราจะไปอยู่วัดเราจะไปทำใจให้สงบเวลาเราอยู่บ้านหรืออยู่วัดถ้าเรามีสติควบคุมบังคับใจให้นิ่งไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจของเราก็จะเย็นจะสบาย มีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะความสุขที่ได้จากความสงบของใจนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวง <c oughs> เหมือนกับเราได้รถเบนซ์เราก็จะไม่อยากได้รถยี่ห้ออย่างอื่นมาใช้ใช้รถเบนซ์นี่มันดีกว่าใช้รถยี่ห้อต่างๆแต่ถ้าเรายังต้องใช้รถยี่ห้อต่างๆ เวลาเราเห็นรถเบนซ์เราก็อยากจะได้แต่รถเบนซ์นี่มันราคาแพงต้องต้องต้องดิ้นหลนต้องขวนขวายถึงจะได้ฉันใดความสุขที่เกิดจากความสงบของใจก็เป็นสิ่งที่ได้มายากต้องเหนื่อยต้องทุกก่อนเพราะว่าจะต้องต่อสู้กับความอยากที่จะไม่ไม่อยากจะอยู่บ้านไม่อยากจะอยู่วัดเนย คนที่อยากจะได้ความสุขนี้ต้องไปหาที่อยู่เงียบๆที่ไม่มีอะไรวุ่นวายใจถ้าอยู่ใกล้กับเรื่องราวต่างๆมันก็จะทำให้เราไม่สามารถยับยั้งความคิดความวุ่นวายใจต่างๆได้เราจึงต้องไปอยู่ที่ไกลจากเรื่องราวต่างๆเช่นไปอยู่ที่วัดพอเราไปอยู่ที่วัดนี้เราก็จะได้มีเวลา ที่จะมาควบคุมจิตใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราควบคุมได้เวลาเรานั่งสมาธิใจของเราก็จะสงบพอสงบแล้วใจของเราก็จะมีความสุขจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรจะไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากได้าดลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรอยากจะได้แต่ความสงบ ก็จะอยากจะอยู่วัดนานขึ้นไปอยากจะมาอยู่วัดบ่อยขึ้นจนในที่สุดก็ไม่กลับบ้านเลยพวกที่ได้พบกับความสุขทางใจแล้วเขาไม่อยากจะกลับไปบ้านเพราะบ้านมีแต่ความวุ่นวายใจมีเรื่องนั้นมาให้วุ่นวายใจมีสิ่งนั้นมีคนนั้นมาคอยให้ความวุ่นวายใจกับเราอยู่เรื่อยๆแต่พอเราไม่ได้อยู่ใกล้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นสิ่ง ตอนนี้เรามาอยู่ตามลําพังเรากลับมีความสุขเราจะไม่มีความรู้สึกว้าเหวถ้าเรามีความสุขใจเหตุที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะว่าเรายังทําใจให้สงบไม่ได้เรายังไม่มีความสุขทางใจนั่นเองใจจึงมีความรู้สึกว้าเหวแต่ถ้าเรามีสติถ้าเราได้รู้จักวิธีสร้างสติขึ้นมาแล้วเรา สามารถควบคุมใจไม่ให้คิดใจให้สงบได้ความว้าเวยก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะพยายามสร้างกันก็คือสติสตินี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านเพราะเงินทองร้อยล้านพันล้านนี้ไม่สามารถมาดับความเหงาของเราได้ ไม่สามารถมาดับความทุกข์ความวุ่นวายใจของเราได้แต่สิ่งที่จะมาดับความทุกข์ความวุ่นวายใจความเหงาความว้าเวของใจได้ก็คือสติสตินี้เป็นธรรมที่พุะเจ้าทรงสอนว่าเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถหาความสุขทางใจได้ ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขทางใจอยากจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเราต้องพยายามสร้างสติกันขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือใหเ้เราเลิกอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธให้เราท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงไม่ว่าเราจะทำอะไรก็พุทโธพุทโธไป หัดทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นมาก็พุทโธก่อนแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆลุกขึ้นไปทําอะไรก็พุทโธพุทโธไปถ้าจะหยุดพุทโธก็เฉพาะเวลาที่จะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการถ้าไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็พุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ไปคิดตามความโลภตามความอยากตามความโกรธ เพราะจะทำให้ใจไม่สบายจะทำให้ใจวุ่นวายจะทำให้ใจเดือดร้อนแต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวใจจะเย็นใจจะสบายใจจะว่างเบา อ, อกเบาใจสาเหตุที่เราหนักอกหนักใจกันก็เพราะเรื่องที่เราคิดกันนั่นเองคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะทำให้เราหนักอกหนักใจ แต่พอเราไม่คิดแล้วความหนักอกหนักใจมันก็จะหายไปดังนั้นขอให้พวกเราลองมาสร้างสติกันขึ้นมาลองพุโทโธพุโทโธกันไปเรื่อยๆแล้วเวลามีเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรก็ให้นั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบแล้วก็จะเจอความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อน เราจะเห็นว่าไม่มีความสุขอันใดจะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้พอเราเห็นแล้วก็จะทำให้เราเชื่อมีศรัทธามีความชอบมีความยินดีที่อยากจะนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นเพราะเวลานั่งสมาธิแต่ละครั้งนี้เหมือนกับได้ไปเที่ยวรอบโลก และมีความสุขความสบายมากกว่าการไปเที่ยวรอบโลกเพราะการไปเที่ยวรอบโลกนี้ถ้ากลับมาแล้วก็จะต้องเหนื่อยเพราะการเดินทางนี้มันเหนื่อยต้องนั่งเครื่องบินเป็นเวลาอันยาวนานต้องแบกขนสัมภาระกระเป๋าข้าวของต่างๆสู้นั่งเฉยๆไม่ได้นั่งเฉยๆใจสงบแล้วมีความสุขยิ่งกว่าได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ นี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันเราจึงต้องมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าที่ได้พบความสุขที่เราไม่รู้กันพระสงฆ์คือพระอรหันตสาวรก<ม>ก็เป็นผู้ที่ได้พบความสุขจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านได้พบแล้วท่านก็มาช่วยพระพุทธเจ้า มาสอนพวกเราอีกทีหนึ่งถ้าพวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอาลันตสาวกเชื่อคำสอนของท่านแล้วนำเอาไปปฏิบัติหัดสร้างพุทโธสร้างสติขึ้นมาด้วยการระลึกถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อยรับรองได้ว่าไม่นานเราก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ของวิเศษวิอยู่ในตัวเราเรากลับมองไม่เห็นเรากลับไปคิดว่าของที่ไม่ดีเป็นของดีไปพอเราได้มาแล้วเราก็ต้องมาเสียอกเสียใจมาร้องห่มร้องไห้เพราะของที่เราได้มามันยังไม่ได้อยู่กับเราไปเสมอนั่นเองมาได้ก็ไปได้เกิดได้ก็ดับได้มาแล้วก็เปลี่ยนได้จากดีก็กลายเป็นไม่ดีได้ นี่คือคธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราไปหลงรักไปหลงชอบไปหลงคิดว่าให้ความสุขกับเราแต่ความจริงแล้วเขาจะต้องให้ความทุกข์กับเรามากกว่าให้ความสุขกับเราแต่ของที่ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ให้ความทุกข์กับเราเลยอยู่ใกล้ตัวเราอยู่กับตัวเราและจะไม่มีวันจากเราไปเรากลับไม่รู้กัน ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันตสาวกมาสัง่งมาสอนพวกเราเราก็จะหลงไปหาความทุกข์กันเพราะเราไปคิดว่ามันเป็นความสุขกันแต่ชาตินี้เราโชคดีเราได้มาเกิดเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับผู้บอกทางให้เรารู้ว่าความสุขของเรานั้นอยู่ตรงไหนความสุขของเราอยู่ในตัวเรา อยู่ที่การสร้างสติขึ้นมาถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องสามารถหยุดความคิดต่างๆได้ใจของเราก็จะสงบแล้วใจของเราก็มีความสุขนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราจะได้พบกับความสุขที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น กับเราต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายของเราก็ดีของผู้อื่นก็ดีของคนที่เรารักของคนที่เราเคารพก็ดีหรือการพัดพ้าจากของที่เรารักเราชอบก็ดีเราจะไม่ทุกข์เลยเราจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะเราจะมีความสงบคุ้มครองจิตใจของเราไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เศร้าโศกเสียใจ จึงขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระอาหารหันต่อสาวกด้วยการปฏิบัติตามก็คือหมั่นสร้างสติกันขึ้นมาหมั่นระลึกถึงพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะได้พบที่พึ่งที่ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยแลหบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนักสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเทอ